พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ส3บสามพฤศจิกายนสอง6ห้าห้าสหมีชื่อเรื่องว่าศีลห้ากับอาเซียนวันนี้เป็นวันที่ 13. พุทธกิกายนพุทธศักราช2556วันที่17 เ, เป็นวันหมดเขตกระถินพระนวะกะที่มาบวชวัดของเรารอดแรกเมื่อรับกระถินเสร็จวันที่27วันสองวันก็ได้ลาสิกขาไปชุดหนึ่งแต่ครั้งนี้เป็นชุดที่สองจะมีลาสิกขาไป5รูป วันที่13แต่ถึงยังไงลูกหลานที่มาบวชในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ตอกวรนเข้าพรรษาก็บวชใน พ, นพรรษาแปลว่าจบจบข้อจบที่ได้ตั้งใจเอาไว้แต่ถึงยังไงก่อนที่พวกเราจะบวชในคราวนี้ครั้งนี้ก็มีความตั้งใจมานมนานทีเดียว แต่สำหรับพ่อแม่แล้วก็ถ้าว่าพ่อแม่เป็นพุทธมารกะพุทธบริษัทเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษพอเห็นลูกชายเกิดขึ้นมาก็มีความหมายมั่นปั้นมือแล้วว่าเออลูกชายของเราในเมื่อเราเลี้ยงโตใหญ่โตขึ้นมาแล้วเมื่อครบบวชเราคงจะให้บวชในพระพุทธศาสนา เื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ เ, เพื่อจะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือความตั้งใจของพ่อแม่ที่เป็นพุทธศาสนิกชนไม่ว่าท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งถ้าววานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วต้องใ้น้อมจิตคิด อ, อันดับหนึ่งทีเดียวละ่ะอยากจะให้ลูกหลานบวชในพระพุทธศาสนา จากนั้นต่อมาพ่อแม่ก็พยายามหมายมั่นปั้นมือพยายามให้เรียนหนังสือแนะนําสั่งสอนก็ดูมาตลอดอีกเหมือนกันว่าลูกหลานของเราในลูกของเราเนี่ยจะบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือเปล่านะแต่ก็ไม่กล้าที่จะบีบบังคับไม่กล้าที่จะขอร้องไม่กล้าที่จะพูดอะไรให้เจ็บช้าน้าใจ เรื่องบวชลูกจะบวชให้พ่อไหมก็ไม่กล้าที่จะถามบ่อยเหมือนกันนานๆพูดเสียด เ, เออถ้าบวชให้พ่อแม่ได้ก็ดีลักษณะอย่างนั้นแต่ในใจของพ่อแม่แล้วอยากจะให้ลูกบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการรู้บุญคุณแลว้วก็เพื่อให้เป็นคนสุขคือในหลักของพุทธศาสนาว่าถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้บวชเราว่าคนดิบดิบก็คืออะไรคือไม่รู้จัก ศิลธรรมจริยธรรมไม่รู้จกักพระคุณของพ่อแม่พระคุณของบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์แต่เราได้บวชในพุทธศาสนาแล้วเราจะได้เรียนรู้อย่างพวกเรานะั่นแหะแต่ก่อนเราได้รู้อย่างนี้ไหมคงไม่รู้นะแต่เมื่อเราได้บวชเข้ามาแล้วเป็นยังไงสุขไหมในสวนที่ที่เราได้เรียนรู้นะั่นะเออมันเป็นความสุขทางจิตใจกเป็นมันสุขงอม ไม่ใช่สุขมีความสุขสบายไม่ใช่อย่างนั้นคล้ายๆกับว่ามีความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนามีความเข้าใจในศีลธรรมจริยธรรมที่ดีในการที่จะเป็นอยู่ด้วยกันในเพื่อนมนุษย์ชาติพระพุทธศาสนาสอนอย่างไรพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักเรื่องอะไรในการอยู่ด้วยกันสรุปแล้วก็คือพวกเราได้มาบวช3เดือนกว่าเนี่ยนะ อบางทีก็อาจจะเป็นสีเดือนก็ได้นะหลวงพ่อก็ไม่ได้นับพวกท่านทนะั้งล่ะรู้เองแต่ถึงยังไงผลที่ได้จากการบวชในคราวนี้ครั้งนี้ก็เป็นพวกท่านเองเหมือนกันได้มากได้น้อยอย่างไรแค่ไหนแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็พยายามยัดเยียดในแนวความคิดที่พวกเราก็มาบวชระยะเวลาอันสั้น แต่ปีนี้หลวงพ่อเองก็รู้สึกว่าบกพร่องไปบ้างแต่คาว่าบกพร่องคำนี้ก็คือหลวงพ่อไม่ได้ไปชมในระหว่างตามปกติหลวงพ่อจะไปชมในระหว่าง8ปดค่ำ้าค่ำในระหว่างกลางหลวงพ่อจะมีการไปชุมพระเป็นระยะระยะแต่ปีนี้รู้สึกภารกิจของหลวงพ่อและก็พร้อมกันก็อายุสังขารร่างกายของหลวงพ่อก็อย่างที่พวกเราลูกหลานได้เห็น บางทีก็เป็นไข้หวัดบั่งมีอะไรบ้างแพ้อาการบาั่งขูคข่คนก็มาเกี่ยวข้องบรรลุ ม, มาตุมบั่งแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองก็พยายามพูดตอนเช้าทุกเช้าให้กับลูกหลานได้ยินได้ศึกษาวันหนึ่งก็ให้แนวความคิดอย่างหนึ่งวันหนึ่งก็ให้แนวความคิดอย่างนึ่งมีมากหลากหลายในแนวความคิดเพื่อจะให้ลูกหลานเข้ามาศึกษาเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนานี้ให้ได้ยินได้ฟัง จากนั้นก็เราก็พยายามเอาวันพระแปดคำ่คำสิบห้าค่ำถึงหลวงพ่อได้ลงมาหลวงพ่อก็ได้พูดถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่ได้ลงมาหลวงพ่อก็ให้ MP3 พที่หลวงพ่อได้พูดเอาไว้พระพี่เลี้ยงก็เป็นผู้นำา m p มของหลวงพ่อมาเปิดให้พ ก, ล, กลูกหลานได้ฟังอันนี้คือเราไม่ได้ขาดและก็พร้อมกัน อย่างวันพระมีพี่น้องประชาชนเข้ามารักษาศีลตอนเช้าหลวงพ่อก็พยายามพูดให้ยาวพอสมควรเพื่อเป็นการอบรมเพื่อให้ได้ความรู้ความฉลาดกับผู้ที่มาเกี่ยวข้องลูกหลานก็นั่งฟังอยู่ในนี้ด้วยทุกครั้งสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองก็พยายามสรรหาคําพูดหรือว่าประสบการณ์ที่หลวงพ่อได้ พบได้ผ่านมาได้ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนลูกหลานแต่บัดนี้ลูกหลานก็ได้ครบกำหนดที่จะลาศิกขาตามกำหนดที่ได้ตั้งใจเอาไว้หลวงพ่อเองก็ขอขอบคุณและอนุโมทนาจากลูกหลานทุกคนที่เข้ามาบวชด้วยเจตนาดีแล้วก็ตั้งอกตั้งใจตามสติกำลังความสามารถของแต่ละคนแต่บัดนี้ก็ได้ เกมจบดิวที่จะได้ลาสิกขาแล้วนะแต่ถึงยังไงเมื่อลาสิกขาไปแล้วหลวงพ่อเองก็ขอฝากแนวความคิดสาหรับเป็นคราวาส เ, เมื่อพวกท่านทั้งหลายเป็นคราวาสก็ให้อยู่ในคราวาสธรรมธรรมของคราวาสที่พระพุทธเจ้าที่ท่านปกครองแล้ ว, ว่าเป็นท่านเป็นผู้แนะนํเพาว่าฆราวาสธรรมธรรมของคราวาสมีอยู่สอย่าง สัจจะคนเราที่จะเป็นคนดีได้ต้องมีสัจจะข้อที่สองให้มีธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนข้อที่สามให้มีขันติให้มีความอดทนข้อที่สี่ให้มีจากะให้มีการเสียสละอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวจนเกินไปนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่าน มอบฝังไว้ในพระพุทธศาสนาแต่หลวงพ่อเองอยากจะเท้าความ อ, อยากจะเท้าความเกี่ยวกับ เ, เขามาหาหลวงพ่อเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา เ, เขาบอกว่าชุมชนของอาเซียนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยประชาคมอาเซียนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะเข้าประชาคมอาเซียนด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะั้นจะเข้า จูประชาคมอาเซียนด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันได้อย่างไรในหลักธรรมคำสอน เ, อเขาตั้งคำถามนะแต่ลงพ่อก็บอกว่าตรงเขาก็มาถามเขาก็ตั้งเนี่ยตั้งกล้องอวิดีโอตั้งกล้องโทรทัศน์ถ่ายถ่ายทำเหมือนกับทำหนังอะหลวงพ่อก็อเอาได้จากนั้นลงพ่อก็ได้แนะนำตัวเองก่อนเพราะว่านี่คนที่พูดเนี่ยขนาดนี้นะ เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแต่เขาจะเชื่อถือไม่เชื่อถือถื อ, อยังไงหลวงพ่อไม่ว่าแต่ว่าหลวงพ่อจะต้องแนะนำว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นใครมา่างไงกรอนจะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถืออ น, นั้นเราไม่ว่าแต่ว่าเขาควรจะรู้ว่าพูดที่กาลังพูดนี่คือใครหลวงพ่อขอแนะนำตัวก่อนนะพราะเหตุใดเพราะถ้าพวกท่านทั้งหลาย พอเห็นขึ้นมาเลยเอ๊ะพระ อ, องค์นี้มาจากไหน เ, เป็นยังไงเขาก็จะสงสัยไปเลยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อขอแนะนำตัวเองว่า น, นี่คือหลวงพ่อ ight, อินทไวรยสันตุสโกภุมลำเนาอยู่ที่มุกดาหารบวชกับหลวงปู่ล่าเกมะปตะเป็นสมณเน เ, เมื่อบวชอายุของหลวงพ่อ11อย่าง12ปี จบป .4 ที่โรงเรียนในหมู่บ้านจากนั้นพ่อแม่ได้มามอบบวชในพระพุทธศาสนาปี2500หลวงพ่อเนบวชปี2500บวชเป็นสมณีนเมื่ออายุสิเอ็ย่าง12ปีจบป .4 จากนั้นหลวงพ่อได้เป็นสมณีนอยู่8ปืปีเ ม, เมื่อครบ20ปีตามหลักพระธรรมวินัยหลวงพ่อได้บวชปี2508 ที่ภูจ้กอบวชที่มุกดาหารจากนั้นมาจำพรรษาที่ภูจ้กออีก1ปีเป็นพระ1ปีเป็นสำพรณาแปีอยู่ที่ภูจ้กอจากนั้นหลวงพ่อได้ออกมาที่มุกดาหารที่วัดหลวงปู่จามหลวงปู่จามเป็นหลวงอ่าท่านหลกมาจากเชียงใหม่ท่านก็ได้มาเยี่ยมโยมบรรดาของท่านหลวงพ่อก็ได้เป็นหลานของท่านลลุงปู่จาม ก็ได้ไปเป็นเพื่อนสหธรรมิกเพื่อไปเยี่ยมโยมมันดาโยมมารดาของหลวงปู่จามคือโยมย่าที่ท่านบวชเป็นแมช่ชีเกือบ40ปสิพรรษาจากนั้นพอโยมมันดาของท่านจากไปหลวงพ่อก็ขึ้นไปทางเชียงใหม่ไปจำพรรษาที่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนปีสองพอ ห้าอยแปจำพรรษาที่พูจกอห้าอยเก้าจำรรษาห้วยทรายห้าจำพรรษาวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่511รอยอพอออกพรรษาแล้วหลวงปู่จามจาเป็นได้กลับมาประมาณเดือนพฤษภามิถุนาจําพรรษาที่ห้วยทรายอีกรอบหนึ่งหลวงพ่อได้กลับลงมาจำพรรษาที่ห้วยทรายกับหลวงปู่จามสองพัาร้อยสางนั้นก็ออกพรรษาแล้วหลวงพ่อก็ได้กราบลาหลวงปู่จามมาจำพรรษาที่ วัดหลวงตามหาบัววัดป่าบ้านตาต2ง1 2อยู่ที่วัดป่าบ้านตาโดยตลอดจนถึง2525ห 25. รลวงพ่อจะได้ออกมาอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยแห่งนี้เป็นเวลา14ปีอยู่องค์หลวงตานี่นแหละชีวิตของหลวงพ่อที่ได้เรียนให้ทราบก็คือชีวิตที่ได้ฝักฝังไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปีสุนั ปี 2,500 เป็นสมรเณาและก็ปี08จนปี 2,556 วันปีนี้เป็นเวลา49ปีในการบวชเป็นพระและก็ บ, บวก8เข้าไปอีกเป็นเท่าไหร่เนี่ยละอันนี้คือชีวิตของหลวงพ่อทั้งชีวิตที่ฝาก่งฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาแต่ท้งนี้ท้งนั้นตอนนี้พวกเราจะมาถามว่าหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับพวกเราจะเข้าประชาคมอาเซียนจะเอาศิลธรรมเข้ า, เ, าเข้าไปในประชาคมอาเซียนพวกเราจะเข้ายัางไงในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเองขอแสดงความคิดเห็นหลวงพ่อเองอยู่ในป่าดงพงภัยอย่างที่วาดชีวิตทั้งชีวิตฝักฝังไปในพระพุทธศาสนาอยู่ในป่าดงอย่างนี้แหละหลวงพ่อบอกว่า ไม่มีอย่างอื่นนอกจากศีลห้าศีลห้านี่แหละเป็นศีลคุ้มครองโลกศีลห้านี่แหละจะทําให้โลกทั้งหลายร่มเย็นเป็นสุขถ้าจะเข้าประชาคมใดก็าตามถ้าไม่มีศีลห้าแล้วอย่าหวังเลยในชุมชนและสังคมนั้นจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะเหตุใดเพราะว่าคนไปสถานที่ใดแล้แวงแคลงใจกันมีแต่คิดฆ่ากันคนเราอยู่ด้วยกันสองคนเราก็คิดฆ่าเขาเขาก็คิดฆ่าเรา อดูสิจะหาความสุขได้ไหมจะหาความไว้วางใจกันได้ไหมไม่ได้ถ้ามากคนก็ยิ่งมากความคิดนี่แหละยา่าเรื่องคือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาทินนาทานไปที่ไหนไม่จะคิดขโมยกันอแล้วพวกเราจะมีความสุขไหมถ้าคิดขโมยกันข้อที่สากาเมสุมิชฉาจานไม่เคารพสิทธิสามีภรรยาคนอื่นเขาเขาไม่ไม่เคารพสิทธิสามีภรรยาของเราลูกหลานของเราเป็นยังไง มีความสุขไหมไปเนื้อเชื่อใจกันได้ไหมข้อที่สีมุสาโกหกต้มตุลหลอกลวงกันแล้วจะหาความสุขได้ที่ไหนไปที่ไหนมีแต่เขียนเช็คเดงให้กันบ้างว่าสินค้าจะมาวันนั้นวันนี้โกหกกันเป็นวันวันไปและเป็นยังไงจะหาความสุขได้ไหมคุ้มครองได้ไหมเนี่ยแล้วก็ข้อที่5สุราเมระยะดื่มโชราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้ว ขาดสติแล้วไปเจรจาพาธีกับใครเป็นยังไงเสียเปียบเขาทั้งนั้นเพราะว่ามันขาดสติไปเชิญสัญญากับใครเกิดเสียเปียบเขาทั้งนั้นเพราะมันขาดสติคนขาดสติทำความชั่วทุกอย่างอีกต่างหากฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ล่าลาประ ล, ะ ล, ะ ล, ะลงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสตินี่แหละศีลห เ, เป็นศีลคุ้มครองโลกมาตั้งแต่ดึกดาบรร หลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นที่จะทําให้ประชาคมอาเซียนร่มเย็นเป็นจุกได้นอกจากศีลธรรมของพระพุทธเจ้าข้อที่สองคารวะธรรมอีกสําหรับคารวะคารวะธรรมธรรมของคารวะสัจจะให้มีความสัตย์ต่อกันในการทํามาค้าขายไม่ใช่ว่าหลบหลบลีกปลีกสินค้าจะมาวันนั้นเงินจะออกวันนี้เช็ค กำหนดวันนั้นวันนี้ต้มตุนหลอกลวงกันเป็นวันวันและเป็นยังไงคนไร้สัจจะคนหลอกแหละหาความสั์จริงไม่ได้จะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไหมไม่ได้เพราะอะรเพราะคนไร้สัจจะข้อทีอ่สองธรรมะให้รู้จักข่มจิตเราบางทีก็มีความโมโหโกรธาเป็นธรรมดาของคนมีกิเลสแต่ว่าเราต้องข่มจิตเอาธรรมะเข้าข่มใจของตนเอง ว่าเราไม่ยังไม่รู้จริงว่าเรื่องนี้เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนเราจะไปโมโหโก้ทา้เขาทีเดียวไม่ได้บางทีอาจจะผิดพลาดก็ได้เราต้องค่มใจของเราไว้ก่อนฟังซะก่อนอฟังหน้าฟังหลายฟังฟังหน้าฟังหลังฟังซ้ายฟังขวาฟังทุกอย่างซะก่อนอที่เราจะปล่อยแล้วเราจะพูดอะไรออกไปอันนี้แหละคือให้คมจิตของตนข้อที่สามไม่มีขันติคือความอดทน ขอมาอดทนคำนี้นะี่อดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายความติฉินนินทาการดุด่ า, าว่ากล่าวล้วนแล้วจะมีขันติในการอดทนทั้งนั้นพรเราเกิดมาในมนุษย์ชาติจะให้ได้อย่างใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะนะีเพราะนั้นเราต้องอดทนนะเป็นพื้นฐานไว้ก่อนนะข้อที่สี่จาคะให้รู้จักเสียสละนะเสียสละต่อผูมีพระคุณอย่างพ่อแม่ของเรา หน้ที่เด่นเลี้ยงดูลงมาแล้วเราควรจะเลี้ยงตอบพระคุณท่านอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาของพวกเราจะต้องได้คิดอันนี้ก็คือปะคุณของบิดามารดาอันนี้เราบอกคารวัตธรรมธรรมของคารวาัตผู้ที่จะไปสู่คารวาตต้องมีธรรมสี่อย่างสัจจธรรมะขันติจาคะอันนี้ก็คือสําหรับผู้ที่จะ ไปไปสู่ไปสู่คราวาสจากนั้นหลวงพ่อแนะนำอีกว่าให้อยู่ในทิศหกให้นอน้อมทิศหกครวะทิศหกกราบไหว้ทิศ6กอ่ อ, อนน้อมถ่อมตนต่อทิศทั้งหถ้าผู้ใดอยู่ในทิศทั้งหกอ่อนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนกราบไหว้สักการบูชาทิศทั้งหแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว ทิศทั้งหกนั่นคืออะไรหลวงพ่อก็บอกว่าทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้าเหมือนเปรียบจะเทียบเหมือนทิศตะวันออกทิศเบื้องหน้าเราเกิดมาขึ้นมาใหม่เรายังหลับตาพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นพ่อเห็นแม่เมื่อพ่อเห็นแม่เห็นพ่อเห็นแม่แล้วก็นี่แหละทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาเออมารดาบิดานี่คือทิศเบื้องหน้า ที่ได้เลี้ยงดูลงมาเรามองเห็นหน้ า, นาพ่อหน้าแม่ก่อนในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูลงมาแล้วเ อ, อในหลักธรรมคำสอนว่าเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูลงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน อ, อ, อันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนหน้าที่ ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นคือหน้าที่อจะต้องดูแลพ่อแม่พอพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วข้อที่สองเหตุทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยาเมื่อสามีภรรยาอยู่ด้วยกันต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอย่าไปล่วงล้ำอธิปไตยซึ่งกันและกันอย่าไป น, นอกอกนอกใจกันให้เคารพ ส, สิทธิ์เขาคืออะไรสิทธิ์เราคืออะไรถ้าทุกคนให้รู้จักเคารพสิทธิ์ของซึ่งกันและกันแ ล, นแล้ว ครอบครัวนั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าครอบครัวออกนอกลู่นอกทางแล้วอย่าหวังเลยครอบครัวนั้นจะหาความสุขไม่ได้แตกกันละสัมละสายสรุปผู้พ่ายไปหมดเพราะอะไรเพราะสามีภรรยาไม่เข้าใจกันอันนี้คือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารยเ์เราเกิดมาต้องมีครูบาอาจารย์สอนประถมมัธยมปริญญาตรีโทเอกอ่าอันนี้ก็คือ ครูบาอาจารย์ที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาวิชาอาชีพต่างๆอันนี้ก็คือวิชาอาชีพของเราอันนี้เราครูบาอาจารย์คิดเบื้องขวาทิศเบื้องส้ายมิตรสหายมิตรสหายของเรากนระยะน้มิตรเป็นยังไงถ้าเรามีกัลยาลมิตรที่ดีมีเพื่อนฝูงที่ดีรับมีหมูมีเพื่อนดี กิจการงานของเราก็เจริญรุ่งเรืองไปได้ถ้าหาว่าจิตกิจการงานของเราไม่มีเพื่อนที่ดีแล้วปัญหาความลาบลื่นได้ยากอันนี้คือทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารเอ่อเบานะลูกน้องบริวารทําลูกม้อนด้วยบอลดีมันก็ดีนะเออแล้วก็สมณะพราหมณ์ทิศเบื้องบนคือสมณะพราหมณ์เอออันนี้คือสมณะพราหมณ์เนะี่คือทิศเบื้องบนอย่างหลวงพ่อเนะี่ยตว่าสมณะพราหมณ์ เวลาลูกหลานทํามาค้าขายมีกิจการงานมีภารกิจธุรกิจลูกหลานก็ต้องมาเข้ามาสู่วัดวาศาสนาวัดฟาศาสนาอย่างหลวงพ่อหลวงตาก็จะบอกเออลูกหลานเออประกอบคุณงามความดีเนอะสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดนะลูกหลานเนอะอันนี้สมณพราหมณ์ก็จะได้นําสั่งสอนให้ลูกหลานนั้นรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อันนี้คือสมณพราหมณ์ก็จําเป็นเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือน ไม่ให้หลงโลกหลงทางจนเกินไปนี่แหละถ้าพวกเราเคารพคารวะในทิศทั้งหแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวนะที่หลวงพ่อพูดนะเพราะฉะนั้นทิศทั้งหลายที่จะออกไปสู่คาระวะนะต้องจําไว้นะทิศทั้งหคืออะไรทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนส ม, มณ ण พราหมณ์ ถ้าพวกเราทําปฏิบัติถูกต่อทิศทั้งหกแล้วนั่นแหละความเจริญความผาสุกก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราดำเนินชีวิตด้วยความสงบราบรื่นนะแต่ปฏิบัติไม่ถูกแล้วมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะลูกหลานนะเอา้จาจนี่มันร้องวะ <c oughs> เอากราบฟังนะที่นี่นะหลวงพ่อเป็นคำสั่งลา เป็นคำสั่งเสียสำหรับพวกเราจะไปสู่คราวญาญาติโยมหลวงพ่อเองมองไม่เห็นอย่างอื่นที่จะเป็นสิ่งที่ล่อแหลมอันตรายสำหรับพวกเราที่จะไปสู่คราวญาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะขอบอกกล่าวลูกหลานที่เข้ามาสู่วัดวาศาสานาของหลวงพ่อได้บวชหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเป็นลูกหลานของหลวงพ่อหลวงพ่อรับ เมตตาลูกหลานทุกคนแล้วก็เมื่อพวกเราไปเป็นครวาตรุ่นของเร า, เามีใครบ้างาก็ให้ติดต่อประสานกันให้รู้จักมักคุ้นกันมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นมิตรเป็นสหายกัน เ, เพราะว่าเราได้มาบวชในพุทธศาสนาล้วนก็ควงจะทวงถามหากัน เ, เราไปเหนือไปใต้มีปัญหาอะไรเราก็จะได้ถามหา เออผมไปอยู่ทั้งจังหวัดขอนแก่นนะออหมู่พวกเพื่อนมีอะไรฮะรถติดที่ไหนรถใต้ที่ไหน เ, ออเกิดจะเร่งเรียกหาหมู่หาเพื่อนได้ได้ไดใกล้ไ อ, อ้นี่แหะคือหมู่เพื่อนกันยาณมิตรที่ดีเนี่ยไปอยูน่นสถานที่ไหนดีทั้งหมดน่ยข้อสัมพันธ์จะไปชวนกันขายยาบ้ายา마เท่า น, นัออ้นนะฮะในสิ่งที่มันชั่วอย่าไปลิธรรมอย่าไปทำ ทำแล้วมีเหตุเป็นแต่หนทางแห่งความเจ็บหายถ้าเป็นใครก็ตามเป็นเพื่อนกันก็ตามนะแต่ว่ามีชั้นเชิงมีเลเดิม่มไปในทางที่ทุจริตขายยาบ้า เ, เล่นการพนงพนันอะไรลักษณะนี้หรือขายของผิดกฎหมายอย่าเข้าไปใกล้ถึงจะ น, นั้นเรียกว่าปาประมิทธ์ถึงจะบวชด้วยกันก็เถอะไปอั น, นี้ไปผิดทางเสียแล้ว เราไม่ควรจะเข้าไปใกล้อันนี้เป็นปาปะมิตรไม่ใช่กัลยาณมิตรตถ้าเป็นกัลยาณมิตรต้องเชิดชูบูชากันไปนะัสถานที่ใดต้องรู้จักนี่แหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะที่มาบวชในวัดหลวงพอ่อหลวงพ่อขอสั่งเสียข้อหนึ่งข้อนี้สำคัญมากที่หลวงพ่อบอกกล่าวกับลูกศิษย์ลูกหมาอย่าไปกินเหล้านะ อหลวงพ่อว่าอย่าไปกินเหล้านะอย่าไปดื่มุรดายจะไปดื่มเบียนะอ่าอันนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะเหตุไรเพราะคนขาดจติตแล้วทำความชั่วใ้ทุกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะนั้นอย่าไปกินเหล้าถัดขืนกินเหล้าเข้าไปแล้วขาดจติตแล้วทำความชั่วฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าใครก็ได้เพราะนั้นต้องระมัดระวัง ไม่ใช่ว่าเราเข้ามาบวชให้พุทธศาสนาพอกลับไปแล้วก็นหมู่พวกเพื่อนมาสังสรรค์เราก็ไปซื้อเหล้าให้หมู่เพื่อนกินนั้นไม่ถูกนะอย่าทำในหมือพวกเพื่อนมาเออหมู่พวกเพื่อนมาเหรออ้วอาวาผมไปบวชวะนะเดี๋ยวผมจะพูดอะไรให้ฟังประสบปปการณ์ในการชีวิตของผมไปบวชในสามสีเดือนเนีเ้หมู่ทั้งหลายมานั่งฟังเราก็ต้องพูดธรรมะให้เขาฟัง พูดเรื่องศีลเรื่องธรรมให้เขาฟังเรื่องแนวความคิดให้ฟังเขาฟังในมีประสบประการณ์ให้เขาฟังอันนั้นมันจึงจะถูกไม่ใช่ประกาศไปแล้วเขาซื้อเล่ามาหมอมกันมาเลี้ยงกันผลที่สุกตีกันหัวล่างข้างแตกเขามาบวช3มเดือนกับหลวงพ่อเนี่ยเปล่าประโยชน์มากที่สุดถ้าเป็นอย่างนั้นปรรดขอฝาไว้กับพวกทิศ ท, ทั้ง5้านะเมื่อกี้นหลวงพ่อพูดทิศ ท, ทั้ง6แต่พวกเรามันเป็นทิศ ท, ทั้งห้านะ ต้องฟังเอาไว้อย่าไปดื่มเหล้าถ้าสมาทานได้ตลอดชีวิตจะดีมากเลยฮะได้ไหมเอาไหมใครบ้างฮะในประเทศฮะบอกกล้ารับสิเรากาล้ารับไหมพนะู่นะเต่มที่เต็มกล้าแล้ว เ, เขาจะไม่ดื่มไม่ดื่มเหล้าเลยใช่ไหย<ด>เออนั่นนะอย่างข้าน่นนะสิมันจริงจะถูกจังเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อได้ เ, เทศได้รับอะไรไหม<ด>ฮะได้เหรอนั่นแหละจะไปเกณฑ น, นะ<ด>มาอยู่สามเดือนหลวงพ่อแนะนําเงินโทษของเหล้าคืออะไรเข้าใจไหมเอออย่าไปแตะมันไม่มีไม่มีคุนหรือมิตรโทษอย่างเดียวเท่านั้นนี่แต่าสางสรรเขาบอกว่า เว้ยถ้าบอกกินเหล้าหมูปลาหลายเนีย่ยไปหาว่าบ่บารางานกะทีเนีย่ยหมูหลวงพ่อหลาขี้อย่างหลวงพ่อบาหากินเหล้าไอ้หลวงพ่อไม่เห็นกินเหล้าเลยหมูหลวงพ่อยิ่งกว่าใครฮะ ม, มานับแขกกันเอ้สิขะหมูหลวงพ่อไข่มากกว่ากันเนีหลวงพ่อไม่ได้กินเหล้าหมูหลวงพ่อทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดจนรับไม่หวัไม่ไหวแต่ละวันเนี่ยแล้วจะไปหาว่าคนกินเหล้าหมูเพื่อนมากเนยมานับใส่ ก, กันกับหลวงพ่อดูกันแล้วกัน ใช่ไหมเท็ดนีนะ่รับอะไรบนลละฮะบกค่อยรับไปได้ไหมทฮะไม่กล้ารับไปหไหวจะไม่มีขาติครับฮะไม่มีขาดติไม่มีขาจติถึงจะดื่ว่าไม่ขาดติ <c oughs> เป็นประดายหรือเปล่าวะฮะต้องหยุดได้แหละดีที่สุดนะเข้าใจไหม ข้อที่ห้าเนี่ยหลวงพ่อเน้นหนักมากเลยเอแต่ข้ออื่นเพราะมันมีข้อนี้เป็นพื้นฐานแล้วข้อที่อื่นมันก็ยับยั้งได้เข้าใจไหมคิดจะฆ่าคนอย่างนี้มันก็ต้องยับยั้งได้เอคิดจะฆ่าใครอย่างนี้ก็ยอยับยั้งได้เพราะมันมันมีสติอยู่จะขโมยใครก็ยับยั้งได้จะไปทําอะไรก็ยับยั้งได้เพราะมันมีสติอยู่แต่ถ้ามันขาดสติแล้วมันยับยั้งมาอยู่นะเพราะมันขาดสติเข้าใจไหม เ, เพราะนั้นหลวงพ่อจึงเน้นหนักด้วยข้อที่ห้าระมัดระวังในเมื่อมันขาดจติแล้วมันยับยั้งอะไรไม่อยู่เสียหายหมดเข้าใจไหมดออรอ่าดรรับได้ไหมนี่ไม่ไจากเด็กใช้ยาไม่เป็นที่พยายามเหรอไม่มีแน่นอ น, นเออแต่วันธรรมดาเนี่ยมีบ้างใช่ไหมก็จะพยายามไม่ไ้อเออนั่นสิเอาเอาให้มากมากนะเออเทศตัวนี้ได้ท่านไหน ฮะมีอยู่มีสินอยู่ไม่มีสินทำไมมันจะมาขาดชินหาวอะไม่สมดานรัดีกว่าโอ้เทคนิคมีเพื่อนเนี่ยที่ไปหายากหายซ่าอยังบอกว่าโอ้บ่ออะไรับผมกินเหล่ามันแพร่ครับเข้าใจไหม โอ้กินไหนปลาได้ลาปลาหมูขอขอเถอะมันแพ่วเอะมันบอกสบายเลยว่าใจสิขาดสันเอมันแผ่วเถอเอามูกินซะอยากได้ยังเอาเงินเอาไปเออเออแต่จะให้ผมกินเถอะสันผมกินแล้วมันแผ่วันใครกินเหลาบาแผ่ไหมจะว่ากินตัวเขาบแมนเอ๊ะเป็นบ่น่ะือกินเข้าไปแล้วก็มันแพ่หลดแล้วเท่เาไหร่ใครจะบแพ่เหล่าไหมเออเมาหลดแล้วกินแล้ว เอาหลวงพ่อจะปลดน้ำนมนต์บัดนี้นะ